ก็เลยคิดนะฮะว่าจะชวนลูกศิษย์ลูกหาครูกรณ์มาอยู่ด้วยแต่ว่าทุกคนก็ปฏิเสธค่ะเพราะว่ากลัวคํำสาปแช่งที่ครูกรณ์พูดไว้นายหนึ่งนะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของครูกรณ์ค่ะตัดสินใจไม่เกรงกลัวคํำสาปของครูกรณ์เลยเพราะว่าหนึ่งเองเขาก็หวังว่าจะได้ใกล้ชิดกับแพร่ซึ่งเป็นลูกสาวคนสวยของครูเอื้องที่ตัวเองหมายปองไว้นั่นเอง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 แต่ว่าแม่ของลุงจันไม่ได้แบ่งสมบัติไว้ให้ลุงหมึกเลยแม้แต่น้อยก็เลยเกิดบันดาโทสะทำร้ายร่างกายลุงจัน่างตายจนต้องนอนในห้อง i อ u หลายวันค่ะกว่าหมอจะอนุญาตให้ออกแล้วก็กลับบ้านได้เหตุร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับบ้านของลุงจัน